ความเป็นไปข้างหน้าจะมีความผูกความเจริญจึงสอไปจากจิตที่มีความเจริญอยู่ภายในหรือความสื่อมอยู่ภายในตนเองไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้สําหรับบุคคลและสัตว์ที่จะต้องได้รับความกรทบกระเทือนหรือความสัมผัสกับผู้ในสิ่งต่างๆที่นอกเหนือไปจากใจไม่มีใจจึงเป็นสิ่งสําคัญความรู้นี้ครอบโลกธาตุทั้งหมดอะไรจะสัมผัส มาจากใกล้จากไกลเราก็ต้องเข้ามาสัมผัสความรู้เพราะฉะนั้นความรู้นี้จึงควรจะได้รับการอบรมให้เหมาะสมกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องต่างๆเพื่อจะไม่รับความกรตุก ก, กิอนอย่างน้อยที่สุดก็ให้พอมีทางดีๆจีบตัวได้จากอารมณ์ต่างๆไม่เท่านั้นก็รับเอารับเอาก็แย่แย่เราจะเห็นได้ในที่ทั่วๆไป จะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามคนเราพูดกันรู้เรื่องไม่เหมือนสัตว์สัตว์ก็เป็นติดแงร้องเพียงครางหรือแสดงอาการเป็นความทุกข์ให้เราเห็นแต่มนุษย์นี้แสดงออกมาทางวาจาทางจิตวิญญาณญาติแล้วยังออกมาทางวาจาเป็นความบุญถึงเรื่องความทุกข์ความร้อนต่างๆนะที่การงานการได้การเสียกันเจ็บไข้ได้ป่วย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 พราะจิตมันไร้สาระเนี่ยเหตุที่ทําที่จิตจะไร้สาระเพรเพราะจิตขาดความสำเหนียบศษษษษึกษาขาดความระมัดตวงังขาดความประพฤติตนต่อตัวเองคือจิตให้เหมาะสมกับสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากายหรืกายไม่ว่ า, ว า, ว า, วาความแฉะยึกงตื้นอย่างละเอียดเป็นสิ่งที่จะต้องมาสัมผัสให้เป็นผู้รับผิดข้อบภายในจิตนี้ทั้งหมดการปฏิบัติธรรมจริงเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่ง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 แม้แต่การฝึกผลอบรมด้วยสมาธิภาวนาทำแรกๆก็รู้สึกว่าฝุดเครืองตะเกียบตะกายวุ่นไปหมดเหมือนกับจะเข้าตะแรงแกงฝุถูกคิดถูกเขาเอาไปข้างัเองเพราะเห็นผลยังไม่เคยปรากฏหากเป็นความพอใจอยู่บ้างก็พอพักพอหย่ยนกันไป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 ที่จะให้เกิดความอุตสาห์พยายามไปโดยลำหนักหลงเคยเล่าให้ฟังในการพกหัดเบื้องต้นซึ่งเป็นไปด้วยความเพื่อความมุ่งสายอยากทำเวลาถามหัวหน้าวัดท่านบอกให้ภาวนาพุทโธ้วเนแหยผมก็ภาวนาพุทโธเอาพิภพเอาพุทโธภาวานาหรืภาวานาภาวานาก็ไม่ทราบว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็ทำไปงูปลาไปนั้น แต่สำคัญที่คําว่าพุโทโธกับสติระวังกันยืดตอนภาวนาพุโทโธนั้นตอนภาวนานั้นท่านว่าไม่ให้ส่งจิตไปอื่นให้มีความรู้อยู่กับคําบริกรรมภาวนานั้นเราก็จับว่า น, นั้นเพราะเราไม่รู้กว้างขวางอะไรนี่ก็ไปทําอย่างท่านว่าจริงพอทําลงไปกําหนดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธปรากฏว่าความรู้สึกของเราที่มันสร้างอย่างนี้ที่อื่นต่างนั่นรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามา อาการของจิตที่แสดงอาการรวมตัวเข้ามานั้นกลายเป็นจุดสนใจของเรามากขึ้นทำให้สติก็จดจอ่อความตั้งใจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นจนปรากฏว่าจิตที่สงบเงียบลงไปเลยตอนนั้นขาดหมกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความอักจันท์ขึ้นมาภายในใจแล้วเกิดความตื่นเต้นไม่นานจิตถอนขึ้นมาเสียเสียดดยโอ้โหเป็นอย่างนี้เองนั่นแหละ เป็นเชื้อสำคัญให้เกิดความมุสาพยายาไม่ว่าจะเรียนหนังสือมากน้อยเพียงไร ล, ลำบากลำบนขนาดไหนการภาวนาจริงไม่เคยต้องละปล่อยเวลาไว้จังหวะเวลาไว้สวนหรับทำภาวนาแต่ก็ไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนานๆนนตั้งแต่เรียนหนังสือมาจงกระทั่งแล้ออกปฏิบัติจิตสงบได้อย่างนั้นเพียงสามครั้งเท่านั้น เหตที่สงบไม่ได้เรามาพิจารณาภายหลังก็พอทราบได้ว่าเพราะความยึดมั่นถือมั่นความคาดหมายในผลที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วและดับไปแล้วนั้นและวผ่านไปแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจโดยไม่คํานึงถึงงานที่ทําซึ่งจะทําให้เกิดผลเช่นนั้นขึ้นมาอีกจิตมาปล่อยงานอันนี้เสียมีแต่ความมุ่งหวังอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วผลก็ไม่เกิดเมื่อพอยจางๆไป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 ทำเมื่อไรก็อย่างนั้นอีกจนกระทั่งหมดหวังต่อยแล้วมาทําภาวนาตามธรรมด า, าไม่คึดคาดหน้าคาดหลังมันก็เป็นอีเนี่ยเราก็ทราบได้เมื่อภายหลังจนกระทั่งแต่ตั้งหน้าตั้งตาทําภาวนาจริงๆหยุดการศึกษาเรียนแล้วคราวนี้เอาจรินเอาจังเป็นกับตาต้องให้รู้จิตดวงที่เคยเห็นเคยรู้แล้วนั้นจะไปที่ไหนได้ จะพยายามเอาให้ได้นั่นแหละที่นี่ทำไม่หยุดกลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำทุกียาบทไม่ลดละก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเช่นนั้นเมื่อปรากฏเป็นความสงบเชลน่อนขึ้นมาแล้วก็ทำให้นานไปโดยลาดับสงบได้นานและไม่ตื่นเต้นที่นี่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 เพราะทําอยู่ทั้งกลางวันกลางคือก็ยิ่งเป็นการสร้างฐานนัให้มีความแม่นหนามั่นคงขึ้นโดยลํำดับจนกระทั่งดูที่ไหนก็มีความมั่นคงอยภายใจิตใจมีท่าเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นเป็นอย่างนี้ความสงบปเป็นอย่างหนึง่งจิตที่เป็นสมาธิคือตามฐานของตนนั่นเป็นอีกอย่างเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวอยูด่ด้วยความสงบ จิตย่อไม่มีความหิหวโหวยกระวนกวยกับอารมณ์ต่างๆตามธรรมดาของจิตที่มีความสงบนั้นมีแต่ความหวิวโหยทั้งนั้นคิดนั้นปรุงนี้อยู่เรื่อยๆับพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เหตุได้ผลไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะหยับจิตหยับนั้นวางนี้ปล่อยนั้นไปจับจดไปหมด ท, ท่านจีงสอนให้มีจิตมีความสงบเวลาสงบมันก็สงบจนเกินไปสงบไป จ, จน เราจะให้สงบสอยู่สักกี่ชั่วโมงก็อยู่อย่างนั้นเป็นความทมายเลยกลายเป็นสมาธิขี้เกียจจนกระทั่งได้ถูกครูบาอาจารย์ท่านดุด่าว่าเก่าจิดลากออกมาจากสมาธิ้นค้นทางด้านปัญดาจึงได้ใช้นี่พอเริ่มใช้ปัญดาก็เพราะว่าจิตนี้มีความสงบตัวอยู่แล้วมันก็ง่าย พอกําหนดออกไปนี้ยใดมันเข้าใจเป็นลําดับลําดับการเข้าใจทางด้านปัญญานี้ผิดกับสมาธิอยู่มากเข้าใจในอารมณ์อันใดเข้าใจในเรื่องอันไดนี่ยมันถอดมันถอนไปพร้อมๆกันปล่อยวางไปเรื่อยก็ทราบว่าอ่อการปลดเครื่องที่เหลืนี่ต้องปลดเครื่องด้วยปัญญาเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นความเห็นแง่เดียวอยีกเหมือนกันจึงทําให้เกิดความเพลิดเพลินโดยลาดับลําดา การพิจารณาไม่ลดละอะไรเราพิจารณาอะไรเพื่อไม่ลดละพิจารณาก็พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยเป็นปัจจัยธรรมอันเดียวกันทั้งสี่อย่างนี้อยู่ด้วยกันคือทุกข์ก็แสดงอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ในร่างกายและจิตใจสมุทัยก็แสดงขึ้นมาโดยลำดับถ้าเราเผลอเมื่อไหร่สมุทัยคือความคิดคุ้งคล้อเหิอไปแง่ต่างๆซึ่งจะเป็นการสั่งสมกิเลสก็แสดงตัวออกมาน่ จากจิตดวงเดียวนี้มักได้แจ่สมาธิปัญญาก็ดําเนินงานไปเรื่อยๆทําจิตให้สงบลงไปเรื่อยๆแล้วปัญญาก็สอดสองนดูธาตุดูขันดูของเรื่องของทุกเรื่องของจุณโธไทยดูเรื่องอนิจจงทุกขังอัตตาซึ่งมีอยู่รอบตัวโดยลําดับธรรมดาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งมีความชำนิชานาญความทํานาญภานจิตนี้ ซึ่งเป็นความจริงแล้วไม่ได้เหมือนความจําทีแรกก็พิจารณายากลําบากเราจะคลี่คลายอะไรอวัยวะแต่ละส่วนนั่งส่วนออกไปให้กระจายตัวไปอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเชื่อมช้าแต่พอสติปัญญามีความสามารถแล้วมันพิจารณาได้อย่างรวดเร็วกําหนดอวัยวะส่วนใดนี่มัากระจายงหมดทั่วร่างกายซ่านไปไปหมดเหมือนกับกระดาษซึงนี้จิตก็ถือ อันนี้เป็นอารมณ์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ถืออารมณ์แห่งวิปัสสนาพิจาณาอย่นี้เป็นลำหนักลำหนักจนมีความสามารถเต็นที่แล้วก็ปล่อยวางไปเป็นขั้นขั้นขันขันี่ขั้น น, นี้ก็ปัญญามีความแหละมคมกว่าสมาธิสมาธิเป็นแต่เพียงความสงบปัญญาเป็นความคล่องแคล่ว เป็นความสอดสองมองทะลุเหตผลต่างๆเรื่องถาดเรื่องขันที่เราเคยจําว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งพออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นความจริงทราบซึ้งถึงใจแล้วมันซึ้งมากที่สุดนะลืมดั่งทำให้เพิดเทินต่อการพิจารณาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนสถานที่การเวลาไม่ไม่ไปสนใจนอกจากจะสนใจกับความรู้ความเห็น ที่ตนมุ่งหวังอยากให้เข้าใจนั้นเข้าใจไปโดยลําดับๆมบบีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนจึงมีแต่ความภาคเพลียนตลอดเวลานอกจากหลักบกอเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็าประกอบความภาคเพลียนโดยทางปติปัญญาเรื่องธาตุขันนี่สําคัญมากเท็่แล้วมันก็พิจารณากระจายเป็นทั่วโลกกระท่าเลยเรื่องอนิจจพิจารณาไปหมดไม่ว่าลูกสัตว์ถูกบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาเป็นสิ่งที่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 นี่ก็ครี่คายสิ่งที่เรายังไม่พิจารณาออกด้วยปัญญาเมื่อเห็นธัดุแล้วกบบมันต่อยคือมีต่อยหลังที่เกิดทิบ่ายวะต่อยเข้ามาเป็นลำหนักลำหนักเห็นธาดเท่าไหร่ก็ปล่อยเข้ามาที่แรกก็กว้างปัญญานี่วิ่งทั่วโลกธาตุเลยเหมือนกับว่าโลกธาตุวันไปหมดนะ่ะเพราะตะกี้ปัญญามันวิ่งไปถึงกันหมดหูเสียงกลินรสเสียงแสงสัตว์ อยู่ใกล้ไกลมากน้อยเพียงไรลุกตื้นหยาเสียบมันค้นไปแล้วจนเป็นที่เข้าใจแล้วถึงจะปล่อยได้ถ้ามันเข้าใจมันไม่ปล่อยเราจะบังคับให้ป่อมันก็ไม่ปล่อยเช่นอุปทานเนี่ยบังคับให้ตลาดบังคับเธอถ้ามันไม่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันไม่ยอมปล่อยพอเข้าใจเท่านั้นไม่ต้องบอกมันตลาดปับป๊บปั๊บป๊ปับไปเลยนี่ท่านเรียกว่าปล่อยด้วยปัญญาความโง่เป็นผู้พาให้ถือความฉลาดเป็นผู้พาให้ปล่อยว่า ท่านจึงสอนให้อบรมทางสติปัญญาให้มากในการพิเจอหนาผลสุดท้านมันก็ไม่ไปไหนมันก็เข้ามาทานมาขันอันเป็นตัวของตัวแท้ๆ ท, ท, ท, ที่ยึดถือกันมาประจำตั้งแต่วันเกิดกําเนิดไหนๆก็ตา่างมันก็ถือท่าถือขันนี้เป็นสาคัญถือว่าเป็นเราทั้งหมดเนี่ยในร่างกายอันนี้ทุกเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนากันยังบอกว่าเราเป็นทุกยังถือว่าเราเป็นทุกหนะ ร่างกายทุกส่วนก่อทราบแล้วว่ามันแปรปรวนมันก็ยังไปแย่งเข้ามาว่าเป็นเราเป็นของเราแย่งความแปรปรวนแย่งอณิจังแย่งทุกขังแย่งอนัตตามาเป็นตัวของตัวจนได้ี่ก็เพราะความหลงมันทาให้เป็นในการที่จะถอดถอนความหลงที่มันซึมซาบจนถึงใจหลักเงาะข้ามูลมันฝังลึกขนาดไหนเราจะไปถอนเราอย่างง่ายๆมันก็ไม่ได้จะต้องพิจารณาหลายครั้งหลายผลจนเกิดความทนมิถานครั้งนั้นครั้งนี้หลาย เที่ยวหลายตลกเข้าไปมันก็ค่อยแจมแจ้งเข้าไปแจงแจ้งเข้าไปถึงรางฐานมันต่อยของมันเองนะล อ, อ, องลูกก็ดูมันอยู่นั่นน่ะทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นสนามท้องที่ท่องเที่ยวเป็นทําเล ท, ที่ท่องเที่ยวกรรมฐาน่งเที่ยวกรรมฐานกับกรรมฐานได้เยอะที่ไหนที่สำคัญก็คือเจ้าสารโลมานะขาทันตาตาะโจในแต่ส่วนนร่างกายของเราทุกส่วนเที่ยวกรรมฐานในตรงนี้ด้วยจระจิกุจระคือการท่องเที่ยวของจิตพิจานามัน เห็นชัดตามความจริงทั้งภายนอกภายในส่วนร่างกายของเราทุกสัดทุกส่วนวันนี้ก็พิจารณาข้าวหน้าก็พิจารณาข้าไหนก็พิจารณาพิจารณาหลายครั้งแล้วหนังมันซึมค่าเข้าไปเองซึง้าเข้าไป็นเข้าใจชัดเนี่ยพอเขา้าใจชาดแล้วไม่ต้องบอกมันก็ปล่อยทองมันอย่างเวทนามันก็เกิดอยู่กับค่ากับใจมันไม่เกิดอยู่ที่ไหนแหละนี่สัจธรรม ท, ทุกขังอริยสัจจังท่านบอกแล้วชัดๆว่า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 ไปแย่งเอาของฟองเข้ามาแทกภายจิตจีก็เลยาการไปจิตกรจิตลุ่มหลงใชผลว่ามันจึงเกิดจต่ความเดือดร้อนการพิจารณาก็คือว่าให้ปล่อยคืนตามของเดิมของเขาอไม่ฝืนความจริงอันดัน้งเดิมะถึงดูปังอนิจจังดูปังอนัตตานี่เป็นของดั้งเดิมดูปังทุกขังเป็นของดั้งเดิมให้พยายามพิจารณาให้เห็นชัดปล่อยลงตามความเดิมของเขาน ทุกขัง เ, เวทนาตานิจังทุกขัง อ, อ น, าานัตตาเนี่ยนั่นก็เหมือนกันพิจารณาแล้วพิจารณาเอาให้ถึงความจริงคืออันดั้งเดิมของเขาปลอยลงสภา พ, าพดั้งเดิมของเขาเราให้อยู่ดั้งเดิมของเราอย่าไปกเกียวกับความจริงอย่าไปเกียวกับความดั้งเดิมของเขาอันใดดั้งเดิมของใครให้อยู่การสภาพของมันเวทนาก็อยู่การสภาพขอ ง, งมันให้กกรู้ตามความจริงของมันเราเป็นคนหลงเราต้องเป็นคนรู้ถึงจะแท้สมได้แล้วหลงแล้ว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 ไม่สามารถที่จะมาทํานาจิตใจที่มีความมั่นคงด้วยสติปัญญานี้ได้เลยนะะในส่วนทัญญ้งยาทั้งขานยืนยันมันก็เหมือนกันนั่งที่พูดมาแล้วหลายครั้งหลายหนน่นเพียงจําได้ระดับไปดับไยเกิดดับเกิดดั บ, ดบพูดง่ายๆเอาสาระอะไรมันได้ให้พิจารณาให้เห็นความปรากฏขึ้นความดับไปเท่านั้นเราไม่ต้องไปตักลึกยิ่งกว่านั้นเลยขอบเขตของความจริงไปมันก่อความกังวลให้ตนทั้งยาเป็นของเราหนีตาลงไปแล้วนั่น ทันาดีทัญยาไม่ดีสัจะาํำได้จำไม่ได้จำได้กับเป็นเราจำไม่ได้กับเป็นเราอะไรก็เป็นเราไปหมดนี่มันเลยความจริงเลยมันก็เกิดความทุกข์จำไม่ได้ก็โมโหกางอะไรมั้งยันหลงไปตามพญอารมณ์สั้งขานปรุงขึน้นเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็ตามมันก็หมายไปหมดเนี่ยความหมายไปความอย่างไปในสิ่งที่ไม่ควรอย่างยึดในสิ่งที่ไม่ควรยึด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 ตลอดกับตลอดกันไม่มีวันปล่อยวางได้เลยท่านที่เดียวถือพบถือชาเกิดนั่นเกิดนี่เกิดเพราะความหลงนั่นเองอาจจะเกิดเพราะความรู้วิญญาณทั้งวิญญาณทางตะวันเกิดมาก็ได้ยินแล้วมันก็ควรจะชินชากันบ้างในสวนจะหลงนี่ตลอดเวลานี่มันหลงนี่ตลอดเวลากระทบทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเครื่องสัมผัสต่างๆเข้ามารับทราบภายในความรู้นี้โดยลําดับลําดับแล้วเกิดกับดับพร้อมแบบพร้อม มันก็ยังหลงของมันได้อยู่นะฮเรื่องความหลงนั้นมันไม่ชินทามันท่ามันเทินที่จะหลงเรื่อยๆโดยไม่ยอมรู้สึกตัวเลยนี่แล้วเมื่อไม่ยอมรู้สึกตัวเลยทุกมันก็ต้องมีมาเรื่อยๆเราจะบนขนาดไหนมันก็ไม่เปิดผลเกิดประโยชน์ถ้าไม่ที่จะน่าให้หลงลงถึงความจริงของมันท่านถึงสอนให้จอยอันนี้เราความมาก่อนะคือรู้แล้วก็ปล่อยเหตุที่จะรู้ก็ต้องที่จะนา่า พิจารณาแล้วพิจารณานาเล่าเอาอาการทั้งห้านี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวกรรมาฐานเที่ยวอยู่ในนี้แหละไม่แต่ไปภูเขาเราคอที่ไหนก็ตามให้เที่ยวอยู่ท่องเที่ยวอยู่ตามนี้เบิงบ้งบนเบิ้องล่างเบืงฝังสถานกลางอยู่ภายในร่างกายนี้ทั้งหมดเบื้องบนก็ตั้งแต่ศีรษะลงไปข้างล่างพื้นเท้าเข้ามาส่วนร่างกาภายในนี้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 เจ็บปวดเบียนาทัญงาสังขานยินยานอา้าวจิตจะมาพิจารณนี้เพราะเชื้อมันแห่งกองทุกข์ ม, มันอยู่ที่นี่อุปทานอยู่ที่ไหนกองทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาจะต้องหมุนตัวเข้าไปตามนี้เมื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปพอปล่อยไปแล้วก็หมดเชื้อไม่ต้องไม้ไปอีกมันเข้าใจแล้วไม่ต้องพิจารณาไปอีกแต่เทากันอะไรอีกปัญญาไปแต่เทากี่เดียกี่เดีกไม่มีในะที่นั่นมันก็ปล่อยไปเรื่อยๆอปล่อยเข้าไปจนกระทั่งไปเทาจิเนี่ย เพราะกิเลสอาสวะมันรวมตัวอยู่ที่จิตมันมนักมันเป็นเครื่องบอกมันเองมันสืดต่อกันไปเรื่อยเป็นกระทั่งหมดเชื้อแห่งอาศาวะแล้วไฟก็ไม่ลุกลามไปปัญญาก็หมดปัญหาขึ้นภาระที่จะต้องพิจิารณาเพื่อแก้อะไรอีกมื่ ม, มันเข้าถึงจุดสำคัญ ธรรมะวิชาปัจญาสั้งคาราสังคาราปัจญายัญญานังว่าเป็นแถวเป็นแนวแต่ตัววิชาจริงๆคืออะไรไม่รู้เลเวลาจะรู้ก็รู้ตามหลักธรรมชาติพุดพิจาราเข้ามาเข้ามาย่นเข้ามาปลอยเข้ามาตือต้อนเข้ามาทางสติปัญญาปัญญาขั้นนี้จะละเอียดและอ่อสุขขุมมากทีเดียวมันเหมือนกับน้าซับน้ําซุมไหลลื่นอยู่ทั้งแรงทั้งฝนไม่มีหยุดมียั้ง ค้นไปค้นมาพิมิพิจนาณานนะหลายครั้งแล้วผมก็เข้าใจกองแห่งวัตฏะจริงๆคืออะไรนั่นกองทุกข์จริงๆคืออะไรภพชาติเกิดขึ้นได้นั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นสาเหตุนันก็มารู้ที่ใจใจนี้เองเป็นตัวพบตัวชาติเพราะเชื้อแห่งภพบหังชาติมันฝังอยู่ภายในใจปติปัญญา อย่างชางเข้าไปแล้วขาดทะลุไปหมดเนี่ยตปธรรมแพลเผาทิเลศภายในจิตใจหมดเผี่ยงไม่มีอะไรเหลือหรอไอสิ่งที่เหลือก็คือวิมุตติธรรมธรรมหลุดพ้นแห่งใจพ้นจากสิ่งที่บกติดกำบังทั้งหลายตั้งแต่แบบต้นดาบจนกระั้งถึงขั้นละเอียดสุดที่เรียกว่าอวิชาสิ้น้าไปหมดภายในจิตใจนั่นแล คือความทุกข์ที่ทันว่าปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์พ้นกันที่ทุกข์นีอยู่แต่ก่อนนั่นแหละแก้ทุกข์ได้ด้วยสติปัญญาแล้วพ้นกันที่นั่นข้ามโลกข้ามทังสามข้ามกันที่ตรงนั้นไม่ได้โดดข้ามนู่นข้ามนี่หมืนเขาข้ามน้ําข้ามทะเลที่ไหนล่ะมันข้ามตงนั้นเองแต่ท่านแยกเป็นสมมติออกไปว่าข้ามข้ามความจริงก็สลัดภัยที่เป็นยุพนาจิจใจจนออกหมดเชื้อแห่งภัยมี อยู่มากน้อยถึงใายพานธ์จิตใจสลับออกหมดด้วยสติปัญญาแผดเผากันให้เสี้ยงไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านบัดความพ้นทุกข์หรือว่ า, าตรัสรลุ็ดีบรรลุธรรมดีบรรลุถึงความบริสุทธิ์นั่นเองนสมมุติท่านก็นว่าไปนี่แหละหักธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างนี้รู้ทีนี้แล้วปัญหาทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกกว้างแค่ ลุกตื้นจากละเอียดขนาดไหนหมดไปโดยสิ้นเชิงที่ว่าหมดเรื่องหมดปัญหาจิตเมื่อที่คาปัญหาออกจากตนจนหมดสิ้นแล้วมันก็ไม่มีเรื่องเรื่องอะไรจริงนม่อีเมื่อถึงขั้นอะไรไม่มีหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าอะไรไม่มีนั่นแ่ะคือเป็นคือความพอตัวเต็มที่แล้วไม่ต้องการที่จะเอาอะไรเข้ามาเสริมอีก เป่นความชนะเสิอก็แล้วความยินทาก็แล้วเพราะอันนี้เป็นอาการแห่งสมุดทั้งหมวลจิตนั้นเป็นผู้พอตัวแล้วในคาว่าดีและชั่วทั้งหลายท่านให้นามผู้ที่ถึงความพ้นทุกข์แล้วนั้นว่าปุญญะปุญยาปาปะหิระบุคคลคือเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วบุญก็คือความสุขที่เป็นฝ่ายส ม, มุดที่แรกก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างไปในทางส ม, มุดนี้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 อิมพอยตลอดเวลาอาการิีโก้ทำที่กล่าวนี้เป็นมาจากโน้นแหละจากล้มลุกคลานจากความตะเกียบอา ก, กาศความอุตสาพยายามนี่เเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องสนับสนุส น, นมาโดยลําดับําับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้ท่านว่าความพ้นทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเพื่อเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพียร ปลดเปลื้องตนเองโดยลําดับลาดับอย่างที่เราเพียรสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญงสงกุศลนี้คำว่าจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นบุญกุศลอันนี้นจะไม่ให้ผลหรือให้ผลตลอดมาดังพระพุทธเจ้าเทศไปที่สานที่ใดมีแต่คนเคารพบูชาสักการะด้วยเครื่องวัตตุเครื่องานต่างๆเป็นเพราะอำนาจแห่งกุศลทุ่องค์สร้างมาทั้งนั้นแล้วบางประชาชนมีจํานวนมาก ก็ไปพูดว่าการที่พระองค์ท่านไปไหนมีคนเคารพ บ, บูชาตลอดเพ้งเเิลบุตรเทวดาไม่โอนอยากขาดแคลขาดแคงนเดืรดดาบไปด้วยวัตถุทางางสังนั้นเป็นเพราะพระ อ, อ, องค์เป็นพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ยังทรงตรัสปฏิเสษไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าท่องลาว สิ่งทั้งหลายที่ประชาชนนำมาสักการ บ, บูชาถาวายเป็นปัจจัยทางทานมากน้อยนี้เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งกุศลของเราที่สร้างมาต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเกิดขึ้นมาจากกุศลของเราที่สร้างมาไม่ใช่ว่าสิ่งอันนี้นจะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของเราหาไม่ถนัดนั่นนะบันดาลภาษาเรทั้งหลาย ที่ได้บรรลุธรรมแล้วยังต้องมีเอกลัค่าต่างๆกันนั่นก็เพราะอํานาจแห่งกุศลที่าทานท่านทธเจ้สร้างม า, มากน้อยต่างกันเช่นอย่างค่าสีวลีเต้นตายไหนมีแต่คนเคารพนับถือบูชาสตุ ป, ปัจจ ย, ยเทยทานนี้เพื่อนไปยหมดท่านไปที่ไหนไม่มีความอุจาขาดเกล็ดนะสาวกทั้งหลายที่เป็นพระหารเหมือนท่านแต่เรื่องอัติเรกานาไม่มีองค์ไหนเสมอเหมือนเว้นพระพุทธเจ้ า, าเพียงพระองค์เดียวเท่า น, านั้นต้องมีภาษาวาลีเป็นที่หนึ่ง นี่จงังหวัตามพระนองท่านอย่างนั้นตลอดไปจกนกระทั่งถึงวาละสุดท้ายคือสลายขันขันสลายไปแล้วเป็นอันมาหมดที่จะต้องพึ่งพิงอิมัสัยในบุญกศุศลที่เป็นกวนสมมตินี้หละทำความบริสุทธิ์จนแล้วหมดปัญหาเมื่อยังไม่หมดท่าขันเมื่อไรแล้วบุญกศุศลต้องตามสนับสนุนไปดลได้านตลอดปรัติาส การแสดงก็เห็นว่าคุณัวนั้มาพิมพ์พิอะน